สองอย่ากลัยเป็นนาำปัญหาคือไม่ห น, นีปถ้าเด็นใหม่ถ้าเป็นเม่อคืนพระอาจารย์เทศถึงว่าจิตสมาธิสอนเนี่ยเป็นอวิชา น, นอันนี้เพราะว่าทาสมาธิจนได้ออความสุขในสมาธิแล้วติดอยู่ช่ไหมครับติเรื่องของสมาธิแม้ปัญญาก็ยังไปติ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 กดอวิชาดอะรกามมันมันก็ไม่ปรากฏเทนั้นมันอันนี้มันปกคุมหมดแล้ว่ิมันเกิดจากนี้เองนมันก็มั่วหมอไปเข่ยใจหรอนีความความของใจลรวก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองมันเข้าใจว่าจิตเขนคัดสอนอยู่รู้ไหมแล้วมันไม่เข้าใจอะนรเปัญหามันมันมาคุมก็จบมาคุมก็ยันไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นอย่งงนั้นอย่งนั้น่ะ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 มีพระพุทธเจ้าบอกโดยที่พวกเราไม่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยหแบบนั้นเลยที่ที่ครงบอกอย่างนั้น น, น, น่ะเมื่อพอเราปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปแต่ถึงนั้นเราก็รู้เองว่าของไสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี้อวิชาหรือไม่อวิชานั้นเป็นอยีกแน่นึ่ง <laughs> เรารู้ว่า่องใสเรู้คว้าแล้วนี่ความมักเลยไม่ยอมปล่อย่จะว่าจะว่าอะไรสมาธิอะไรติดหรือหรื อ, บบอรว่าปัญญาติดอาันรู้เหอวปัญญามันก็ไม่ใช่แต่ถึงนั้นแล้วมันยอมเลย ยืนมึงเป็นองคลักษอันนี้ยเลยมันรักษาไม้อะไรมาแตะต้องไม่อะไรแตะต้องมึงตดัดถึงก่อนเนี่ยมันรักษานี่ยพระาพุธสอนอะไเออพระาพา<อ>ุทธาอ น, านเนี่ปัญญาเปนลายกลายเป็นอมพลักษอะนเี้มันรักษา<อ><อ>มันไม่ได้ข้อทาลายเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยพระาพุทธสอนทางภาคปฏิบัติคือคือมันแก้เข้าไปแก้เข้าไปตัดเข้าไปจนมาขั้งถึงตัวพระสอนนี่อันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ไปิดตรงนั้นใช่ิตรงนั้น วิธีที่จะทำลายเอกภพสอนนี้ผมว่ามันน่าคิดเกี่ยวกับเนไยนใหม่ก็เฮ้ยเราใช้เื่อมือไฟลักษณญาณกับอ่าอ่อ่อ่สูทไทยปับจานนี้คือการสังเกตุลักกับดูว่าให้เห็นว่าเป็นราคาตตมมหาที่ตเ่อมันเป็นหลงอะไรเฉลิมเราก็ดูมันก็เหมือนเราเราดูสถายกรรมอื่นเอง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 ที่เราไปเทีเ่ยเล็งกลับนั้นมันก็ยิ่งเสรมขึ้นเรื่อยๆความความโวกกระเสริมความทุขกข์กระเสริมนี่เพราะว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นไทยความปวดตั้งหากเป็นไทยมันย้อนกลับมาตรงนเขา็าย้อกลับมาคุ้มกับผลไทยมันก็พี่นะความปวดนักประพัน ส, สอนที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหลงหลงไม่ใช่หร อ, อที่ว่าหลังจากจริงแล้วไปติดก็พัฒนาสอนติดก็สอนอะไรอย่างเีย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 มันยังยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์ก็ใหญ่ถวายตัวเป็นลูกศิษย์อวิชชาอยู่จนถึงนานอืมอืมดูแล้วทีนี่นี่แหละที่เรามันความต้อคการตัวเองว่าขนาด ว, ว่ามันลิสเซ่ขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะไปสมหวนงไปรักษาอย่างไงมันต้องความคันอย่างมากกวนั้นถ้าเรื่งทั้งที่เราว่าอันนี้สำคัญหนักพอปัญญากำหนดเขาไปที่เ้าไปอันนี้สลาร์ไปอันนั่นขึ้นมาแล้วถึงเห็นท่อแลวโอ้โหเโหโหโหนี่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 มันละเอียดด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกอย่างธรรมดาเราลลนะเป็นทุกการขั้นของมันการขั้นละเอียด่านขณะนี้แยงไม่ออกสามกษัระย์เนี่ยจะยกไมออกนายเราสามกษัตริย์ผู้โฆาขึ้นมากั น, กนยองมันเดียวโเทียหมอนั่มันเดียอีกอธุกรรมว่าทุ <laughs> ววาทกรร เวทนาเวยมานี่ตอนนี้ยิ่งสำพัญทำให้เพิ่มไปเลยมันเกลียดแล้วยิ่งสบายเพิ่มไปเลยแงอ้าวยิ่งเขาบีแล้วสุขเวทนาก็มาอีกยิ่งหลับไปสุเอ๋อไป็นขั้นเนี้นะเข้าใจไหอื ม, มนเปนั้นนี้พอสุขเวทนามาันงยิ่งหลับไปเลยทีเดียวไม่ยอมสะัดนี่จิตมันต้องมีอยู่สามกายกมีอยูสามจิตมีอสาม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 เดี๋วเราต้แกงมันได้มีทางแกงมันไปได้มีขนาดอันนี้นต้อเข้าใจได้หรื อ, อเอว็นานอกหรือไปเวทนาแก่ในหมายที่เปเวทนาอะยรแ่ยังจะที่ละกิเวทนากรรมกันมีลมักษณะภายในกายนอกเวทนาในเวท น, น, นานอกยอธิบายเเวทนาน นอกควอรรธิบายเรื่องการบริยัติอริยไวยวกรณาก็ดีมันขัดกันดีกับหลักปฏิบัติมีความคู่มือคง น, นะเราไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยใ น, นานะนอกกหมายเรื่องการเวทนาว่างนั้นนะในเรื่ภาพปฏิบัตินะในฐานาในเร่องหมายถึองกิจเวทนาเ น, น่ยนั่นเขาหงี่ฉันไม่ไปที่อื่นแล้วมันก็ถูกการสุบที่จะแก้ด้วยใช่ไหมในานะเขาอื่นไมรู้ด้วยว่าเขาอะไรเนี่ย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 คนที่ใจมันอยญ่นั้วมันมีใช่ไหมนี่เอเอเรส่โกถาม่ได้หมายงั้นเอเวอเรสโกมันท้าทายท่านอยู่นี่นาท่านจงดูนี่นาว่ า, ง, า, ยยา ง, งหว่างั้นต่างหางนี่คือผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยากจะรู้ความจริงในี่ยน้่าความจริงมันท้าทายท่านอย่าท่านดูหน้าดูคงนี่นาว่างั้นต่างหางนี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนูหญิงถ้าถูกรูก้ผิดก็แล้วนี่นาเอเวอเรสติกจะไปหาเราเราอยากรมาเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ฉิมได้กันเลยสภาหว่าแล้วเพื่อใท่านเล่แล้วยัง นี่เขาลำพานแ็้วเขาทำเร็จแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาเน็ยแล้วไปลายไม่ได้เทศหรือวันทวันไหนเขาเข้าอะเขาวันยังไม่ทาเน็ยอบเข้าไปแล้วเขาทำข้าวเขาเข้าไปแล้วน่าเทพตอนทั้งน้นทลายบาทนั่นเนจะเรื่องก็ไม่ได้ฉันังไ <c oughs> นี่ไอ้ป็นตัแบบนี้ลำแบบเขาบ้าดีๆหนึ่งจน <c oughs> เขาเห็นนี้หมดเขามองเห็นมาแล้วเดี๋ยวเดียวจะเข้ามาดีนะก็ว่านี่คือท่านจะ ป, ปวดที่ทาโพเรเป็นโรคอะไรอื่นซึ่งพอหายจากปวดหนังแล้วมันก็มาเป็นเรื่องหลัง เลยเป็นแบบนั่นแหะการคิดเราเนี่ยอินสบายไม่ได้กลับ้านได้ง่ายแล้วไม่กลับง่ายหรอกปรเทศสอนก็อยู่ตาถนนนู้นทางที่ไหนก็ตานมองเห็นที่ไหนแล้วยังคืออาตมาเราเด็จแล้วคุณง่ายอาตมาที่ทำเด็นแล้วคนนี้ทำเด็จแล้อยางกราเร็นแล้วสขาเร็ืขั้นบ้าไม่ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็เป็นนี้หรือเปล่าเนี่ยทาเด็จแล้วเขาเสียเนี่เอ๊ยจะโกแบบนี้ใครอยากได้เหรอ อาพ่อาการพูดมีเหลือความจริงาามาเราพิจารณาเองเองเป็นคนที่ใครพูดปฏิบัติทำทุกใครอยากรู้ของจริงในธรรมของจริงมันท่าทางนี้สัจะทํมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ท่านรู้ที่นี่นั่นก็มหมายว่าอยางนั้นแล้วเราพิจารณานี่มันก็รู้นี่จริงๆเนี่ยคือว่ากายในกายนอกหคือื่ากายในกายนอกเราจะพิจารณา ค, คนอื่นแล้วก็พราะพิจารณาได้เพราะว่าส่วนเรื่องการในการนอกนนหมายถึงกายจิต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 ว่างนี่นี่่างแลที่นี้เอาอีกนักขึ้นนี่ยตอนเนี้ยตอนที่รเราไม่กวางหมดเราก็ว่างหมดอืมเขออมเืนกับคนที่ขึ้นอยู่บนหตอนเหยียดวนหัวตอนมองที่แหนก็ว่างหมดว่างหมดไอ้ตรงนี้ไ <laughs> ม่ว่างไงตรงขึ้นมันไม่ว่างนี่นี่จะหงหอะไรเราอยู่ ก, กับหัวตอนเรเยียดบนหอวตอนนี่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 งนเคยยกข้ อ, อติดเช้อไปัางนั้นเลยหรือ่าห้องเนี้ยขนของให้หมดในห้องนี้ขงน้องของให้หมดอ่ะมาไปดูห้องหมดแล้วเอาไปดูดปดปดนียย่ห้องนี้ว่างหรือยังห้องนี้ว่างไหมปบเข้าไปยืนอยู่กลางห้องมองเลยว่าหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งทีสองห้องอยวนั้นอ่ะ มันว่างอะไรไน่ท่านยึดของห้องนั้นท่านจะให้บ้างห้องว่างท่านออกมาที่ก็ออกมาปุ๊บห้องว่างนะก็คือหมายว่าพิจนอะไรอะมันว่างหมดไอตัวจิดไม่ว่างตัวเองน่คุณง่ายๆกำหนดเข้ามาที่นี่พี่ถอนตันี้ออก อ, กอนุสติความถือจิกไเป็นตนอย่างีอันนั้นไม่ถือว่าเป็นตนเป็นตนกระัำแต่นี้มันถือเป็นตนมถอนไปให้เมังดอยู่มันก็ว่างีอยู่ไหนมันก็ว่างจะจะของวางนะถ้าจของว่างอยู่ไหนไม่ไม่ว่าง